สวัสดีครับเพื่อนสาธรรมิกทุกๆ ท, ท, ท่านที่กําลังศึกษาหนะาธรรมชั้นเอกวันนี้เราก็มาศึกษาพระวินัยในกันที่ยี่สิบเก้าต่อกันที่ี่สิบเก้านั้นว่าด้วยวิธีระงรับอนุวาตาธิกรอนุวัตธาทิก ร, ก, าา ก, รก็คือการโจทย์ที่จัดเป็นธิกรรวมเรียกว่าอนุวาตาธิกรนั้นเฉพาะการโจทย์ด้วยอาบัต อันจำแนกโดยวิบัติสีอนุวาธิกรนะถ้าจะว่าให้ชัดก็คือการกล่าวหาการโจ์กันด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต้องอาบัตนะเรียกว่าอนุวาธาธิกรการโจ์นั้นท่านแยกโดยประเภทอยู่มีสองอย่างคือหนึ่งโจดด้วยความปรารถนาดี ได้แก่โจ์เพราะเห็นแก่พระธรรมวินัยสองโจ์ด้วยความปรารถนาเลวได้แก่โจ์เพราะมุ่งร้ายแก่เขานี่มีอยู่สองเรื่องเกี่ยวกับการโจ์โจ์เพราะความปรารถนาดีกับโจ์เพราะเอ่อความปรารถนาเลวที่เราโจด ท, ที่มีการโจ์กันนั้นถ้าเป็นไปในการที่จะ หวังความดีความงามทั้งแก่พระศาสนาทั้งแต่แก่ผู้ถูกโจดนั้นก็นับว่าเป็นการดีเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรงุงแต่ถ้าโจทด้วยความปรารถนา เ, เพื่อกำจัดคนดีให้ออกไปเนี่ยนั่นเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เ, เรื่องที่โจ์นั้นท่านบอกว่ามีทั้งมูลและไม่มีมูล เรื่องที่มีลูนนั้นเป็นองค์แห่งแงการโจด ท, ท่านกล่าวว่ามีสามอย่างหนึ่งเรื่องที่ได้เห็นเองสองเรื่องที่ไม่เอเรื่องที่ได้ยินเองหรือมีผู้บอกและก็เชื่อว่าเป็นจริงสามเรื่องที่เว้นจากสองสถานนั้นแต่ว่ารังเกียจโดยอาการเนี่ยเรื่อง <c oughs> ถ้าเห็นเองได้ยินได้ยินมีผู้มาบอกหรือ ร่างเกียรติโดยอาการนั้นถือว่าเป็นการโจทย์ที่มีมูลเระเห็นว่าผู้นั้น <c oughs> ได้ทําความผิดละวิ น, นัยในสิขาบทเกี่ยวกับปริชิกก็ดีในสังฆาธิเศตก็ดีหรือในอนยศออสองข้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือในนิสกิยะก็ดีเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเราก็โจทย์ เพราะว่าเห็นอย่างนั้น <c oughs> อาจจะเห็นไม่ชัดหรือเห็นชัดอะไรก็แล้วแต่กนะารเห็นก็ถือว่าเป็นการมีมูลนะในเรื่องนี้แล้วหรือไม่ได้เห็นเลยแต่ว่ามีคนมาบอกว่าองค์นั้นหรือผู้นั้น <c oughs> มีการกระทําผิดพระวินัยในสิกขาบทนั้ น, น, นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและกับคนที่มาบอกนั้นก็เชื่อได้ว่าเป็นไปตามจริงหรือเป็นความจริง ก็โจรกล่าวหากันเพื่อจะได้กําจัดออกไปจากพระศาสนาเพราะว่าการกระทําอย่างนั้นไม่เหมาะสมอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมีมูลเหมือนกันหรือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเลยแต่ว่าดูพฤติการต่างๆของภิกษุโูปนั้นเนี่ ย, ยนะไม่น่าไว้วางใจเช่นเข้าบ้านในเวลากลางค่ํากลางคืนทุกวันหรือ อาอาจจะไม่ทุกวันผิดปกติอย่างเงี้ยหรือมีอะไรที่ผิดปกติอาจจะมั่งมีละมือไยเกินไปโดยไม่น่าจะเป็นไปได้หรืออาจจะมีอะไรอีกหลายหลยอย่างก็อันนี้ก็เป็นที่น่ารังเกียจเห็นว่ามันน่าจะมีอะไรก็เลยก็โจ์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมูลเหมืนหมอนกันเนะียนี่เป็นเป็นเรื่องที่มีมูลโจดเพื่อจะให้พระศาสนานั้น เกิดความไม่สหมองอย่างไรหรือจะให้ประพฤติแก้ไขยอย่างไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการโจทย์ที่มีมูลและก็ปรารถนาดีตรงกันข้ามเช่นเรื่องไม่ได้เห็นเองไม่ได้ยินไม่ได้สังเกลียอะไรในระหว่างการประพฤติของของภิกษุนั้ น, นไม่น่ารังเกตียอะไรแต่เพราะความขัดใจกันไม่ถูกใจกันเนี่ยต้องการที่จะกําจัดออกไปจากคณะหมู่คณะของตนหรือจากเพศภิกษุอะไรเนี่ย ก็โจทกล่าวหาใส่ร้ายเพื่อจะให้พิสุให้ผนั้นพ้นจากการเป็นพิกสุภาวะอย่างนี้ก็เป็นการโจ์ไม่มีมูลนะไม่ได้เห็นเองไม่ได้ยินไม่มีใครบอกเลยและก็อาการกากปฏิบัติของเธอก็ไม่น่าอะไรจะเสียหายเลยนั่นเรียกว่าโจ์ไม่มีมูลถ้าโจ์ไม่มีมูลอย่างนี้ในทางพระวินัยนั้นท่านบัญญัติไว้ ในสิคขาบทที่แปดในสิคขาบทที่เก้าแห่งสังขารทิเศตว่าพิกษุโกรธเคืองแกล้งโจดพิกษุอื่นเรื่อบัตรปาราชิกไม่มีมูลต้องสังขารทิเศตก็เก้าพิสุโกรธเคืองแกล้งหาเล่จดพิกษุอื่นต้องอ่าสังขารทิเศตอันนี้จะเห็นเลยว่าแกล้งโจดนะคือเรื่องไม่จริงนั่นเองหาเรื่องหาเล่มาโจดก็เป็นอวิสังขารทิเศตนี้ยังลมีบัญญัติ ตาำลงไปอีก่ว่าในสิขาบทที่เกี่ยวกับป่าจิตตีในสั ป, ปรวัคเนียได้กล่าวว่าภิกษุแกล้งโจทย์ภิกษุไม่บัดสังกาธิเศษไม่มีมูลต้องป่าจิตตีล้วะนันก็เรื่องไม่จริงเอามาโจทย์เอามาอะไรเนี่ยก็เป็นการไม่ดีนะก็เป็นการผิดพุทธบัญญัติผิดพระวินยัยต้องอบัดด้ว ย, ยภิกษุผู้ที่จะว่าอัดคดีในเมื่อเห็นพร้อมด้วยองค์ห้า ควรว่านะคือหนึ่งเป็นผู้ก็เห็นแอลเป็นการอันสมควรสองเป็นเรื่องจริงหรือแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงสาเป็นการประกอบด้วยประโยชน์สจักได้พึ่งสู่ผู้เคยเห็นกันผู้เคยคบกันเข้าเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินยัยห้าความยิ่งยิ่งตลอดถึงความแตกแยกแห่งสง์มีการนั้นเป็นเหตุก็จักไม่มีถ้าพิจารณาเห็นเกี่ยวกับ อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะว่าคดีอย่างไรเนี่ยภิสษุผู้จะเป็นโจทย์นั้นก็พึงมีคุณธรรมเนี่ยเาว่าภิกษุจะเป็นโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมห้าประการหนึ่งจากพูดโดยการละจากไม่พูดโดยอาการละสองจะพูดด้วยคําจริงจากไม่พูดด้วยคําเท็ 3. จสามจะพูดด้วยคําสุภาพจากไม่พูดด้วยคําหยาบ สี่จักพูดด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์จักไม่พูดด้วยคำไร้ประโยชน์ห้าจักมีเมตตาจิตพูดจักไม่เพ่งโทษพูดเนี่ได้อีกอย่างหนึ่งพึงทาในใจซึ่งทาห้าประการคือ 1. ึงความการุณสองความหวังประโยชน์สามความเอ็นดูสความออกจากอาบัตหความทำวินัยเป็นเบื้องหน้า นี่ก็คือคุณธรรมของผู้ที่จะเป็นโจทย์ผู้อื่นนั้นก็ต้องมีคุณธรรมในการโจทย์ไม่ใช่จะโจทย์เพื่อจะกับจัดอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณธรรมมีธรรมะในการโจทย์ด้วยการพูดเนี่ยก็เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในมงคลสูต ร, ร, รที่เป็นสุภาสุวาจาสุภาษิตนั่นเองคือจะพูดด้วยการจะพูดด้วยความจรงิงจะพูดด้วยคำสุภาพจะพูดในคําอันประกอบด้วยประโยชน์หรือจะมีเมตตาจิตพูด ในการโจทย์ผู้อื่นต้องหวังลงท้ายว่ามีเมตตาจิตพูดต้องพูดโดยจิตที่เป็นเมตตาไม่ใช่ปรารถนาที่จะให้ร้ายป้ายสีให้แก่คนอื่นได้รับความอภยศเสื่อมเสียต่างๆการโจทย์เรียกว่าโจทนาการโจทย์ในทันรียกว่าโจทนามีอยู่สองอย่างคือโจทย์ด้วยกายหนึ่งโจทย์ด้วยวาจาหนึ่งโจทย์ด้วยกายก็ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปก็คือทําเป็นหนังสือขึ้นมาหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ทาเป็นหนังสือเคยเคารพเคยไหว้เคยกราบแต่ก็ไม่ไหว้ไม่เคารพไม่กราบอันนี้สนน แ, แสดงว่าลักษณะชนิดก็เป็นการลักษณะให้รู้แล้วว่าโจทย์เหมือนกันโจทย์ด้วยกายนะแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ก, อการทําเป็นหนังสือโจทย์ส่วนโจทย์โดวยวาจาก็คือการพูดนั่นเองนะการพูดแสดง ออกทางคําพูดออกมาอย่างไรเนี่ยแต่ส่วนผู้วิจัยอธิกร น, นี้เออท่านบอกว่ามีสามผู้วิจัยอธิกรมีสามก็คือหนึ่งบุคคลอพระสังฆเถระพึงวิจัยดูเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะวิจัยเสียเองก็ควรสองคณะพระสังฆเถระเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญมากนะ จากมอบให้คณะวิจัยตามอย่างอุปหิกาก็าเห็นควรสามสงฆ์พระสังฆาติระเห็นว่าเป็นเรื่องสลักสำคัญพึงประชุมสงฆ์และก็วิิจัยน็นผู้วิิจัยอธิการมีอยู่สามอันนี้ต้องต้องให้แม่นเลยทีเดียวบุคคลคณะและกระสงฆ์บุคคลคือใครบุคคลก็คือพระเทระถ้าพูดในปัจจุบันก็คือ แต่ละวัดเนี่ยก็คือเจ้าว่านี่ยถ้าเทนะก็จะต้องพิจารณาดูว่าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องเล็กเล็กแต่น้อยก็ระงับเสียเองก็ไม่ยากอะไรเห็นว่าพอจะระงับได้เราก็ระรงับเองได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นเพื่อให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นสงบระงับไปและก็ให้สงบระงับจริงๆก็ตั้งคณะขึ้นมา พิจแรนาสอบสวน เ, ออเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรก็ได้หรือถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกก็จะต้องอาศัยส่งอาศัยส่งคือสืลขึ้นไปไประชุมกันแล้วก็วินิจฉัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมายถึงการกล่าวหากันเนี่ยเพื่อให้เกิด ความดีงามทั้งสองฝ่ายก็ประชุมกันในการได้จะตัดสินอย่างไรต่อไปนะก็มีสามผู้วินญาณที่กร อ, องค์ของภิกษุผู้เข้าสู่ที่วินิจฉัยอย่างไรองค์ของภิกษุผู้เข้าสู่วินิจฉัยเนี่ยมีอยู่เจ็ดอย่างคำพีบริวารตอนจุลสังขามได้กล่าวว่าภิกษุผู้จะเข้าสู่วินิจฉัยได้ชื่อว่าเข้าสู่สงคราม เข้าไปสู่สองก็พึงประพฤติปฏิบัติตนดังนี้คือหนึ่งพึงเป็นผู้เยี่ยมตนสองพึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งสามไม่เบียดเบียนพิสูผู้เถระสี่ไม่กีดพิสูผู้อ่อนกว่าห้าพึงนั่งอาสนะอันสมควรหไม่พึงผู้เรื่องต่างๆและเจ็ดพึงรักษาดุสเนียภาพองค์ข้อนี้องค์อันนี้ก็เป็นองค์ที่สำคัญ เพื่อนศาสตร์ธริกที่กําลังศึกษาเราวิเนียร์เนี่ยองค์ข้อนี้สาคัญมากที่เราจะต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันะพราะการที่จะเข้าไปสู่การวิจัยเนี่ยถ้าเดยกว่าเข้าสู่สงครา ม, มนั้ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการที่เราเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นก็พึงระมัดระวังคื้เเจี่ยมตนรู้จักว่าที่นั่งมาจะนั่งอย่างไร เพราะว่าเราอยู่ในฐานะอะไรจะนั่งอย่างไรไม่เบียดพระเถระจะไปนั่งเบียดพระเถระก็ไม่ควรหรือถ้าเป็นพระเถระก็ไม่นั่งเกียรติภิกษุผู้อ่อนกว่าเพราะที่ภิกษุผู้อ่อนเนี่ยมากจะอยู่ข้างหลังแต่เราเป็นนั่งเกียรติที่ออย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วก็พื้นแ่งอาสนะอันสมควรแก่ตนอย่างไรเมื่อนั่งแล้วก็ไม่พูดเรื่องต่างๆ เพราะว่าไม่มีกิจอะไรที่จะพูดเราก็อยู่เฉยๆไม่พูดเรื่องอะไรแล้วก็นั่งอยู่ด้วยอาการรุสนยภาพนี่เป็นเป็นคุณธรรมในการเข้าสู่วิธีการวิจิตรไซึ่งเรียกว่าเข้าสู่สงครามอาการโจดนั้นจะโจดใครก็แล้วแต่เนี่ยท่านบอกว่าจะต้องขอโอกาสสะก่อนนะโจนเพื่อขอโอกาสต่อจมเลยตามระเบียบ เมื่อของกาตตามระเบียบแล้วก็คือกล่าวคําโจทย์ขึ้นต่อหน้าสงคําของโอกาสนั้นท่านกล่าวว่าการรตุเมอายะสมาโอกาสังตะหันตังวัตถุกาโมซึ่งแปลว่าขอท่านจงทําโอกาสแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวกับท่านอไม่ขอโอกาสก่อนนั้นคือไม่ขอโอกาสแล้วก็โจทย์ขึ้นทีเดียวนั้นท่านบอกว่าท่านปราบอบัติทุกกฎเนี่ยปราบอบัติทุกกฎนั้นจะ โจทย์ใครจะกล่าวหาใครอย่างไรนั้นจะต้องขอโอกาสก่อนไม่ใช่จะโจทย์เลยทันทีถ้าโจทย์ทันทีเนี่ยประบัติทุกกดคำให้โอกาสต่อโจทย์นั้นท่านกล่าวว่ากาโรตุเมอิสัมโตโอกาสังแปลว่าข้าพเจ้าทําโอกาสแก่ท่านเมื่อผู้ที่ให้โอกาสได้ให้โอกาสเช่นนี้แล้วก็ ผู้โจย์ก็กล่าวโจ์ขึ้นมาได้นะนภิกษุพร้อมด้วยองค์ห้าขอให้ทำโอกาสไม่ควรทำนะไม่ควรทำองค์ห้านั้นก็คือหนึ่งเป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์สองเป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์สามเป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์สี่เป็นผู้เขลาไม่ฉลาดห้าถูกสักเข้าไม่อาจให้คาตอบ อข้อที่ถูกซักนี่และอีกอย่างหนึ่งนั้นท่านกล่าวว่าหนึ่งเป็นรัชชีสองเป็นผานสามเป็นผู้มิใช่ปกตัตติกาซีเป็นผู้มีความปรารถนาในอันกำจัดกล่าวและห้าหาใช่ผู้มีความปรารถนาในอันที่จะให้ออกจากอบัดไมเนี่ทั้งห้าทั้งสองอย่างเนี่ย องห้าทั้งสองอย่างนี้พิจารณาแล้วถ้าหากว่าเห็นว่าผู้พิสุที่จะขอพิสูจนที่ขอโอกาสนั้นเป็นผู้ที่ประพฤติไม่ดีทั้งกายทางวาจาทางใจแล้วก็ก็ไม่ควรจะให้โอกาสเนี่ยมีการประพฤติทางกายไม่เรียบร้อยการหมผ้าหมผ่อนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแ้ะไม่เรียบร้อยเลยถือว่าการประพฤติทางกายนั้นไม่บริสุทธิ์ พระพุทธดังวาจาพูดจาหรือไม่สุภาพพูดจาไม่เรียบร้อยดูพฤติการอาการต่างๆที่แสดงออกมาจากทางคําพูดนั้นไม่เรียบร้อยก็ไม่ควรให้โอกาสหรือมีอาชีวะไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะกระหม่อมจนการแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตโดยเฉพาะด้านภิกษุนั้นก็มี การดำรงชีวิตยอยู่ด้วยอาศัยปัจจัยสี่ซึ่งเรียกว่านิสัยสีนั่นเองเที่ยวบินธบานุ่งข่มผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ฉันจะดองในะน้ามุดเน่าถ้ามีการแสวงหาในเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นผู้แสวงหาในทางไม่บริสุทธิ์อาจจะเป็นเพราะการจำนายตะกรุดหรือกระถาะสะดอกเคราะต่อจตาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นไปนอกจากพระธรรมนอกจากพระวินัยอะไรทานองนี้ หรือแม้จะมีวิธีการในการแสวงหาลาบอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยลาบโดยการซื้อขายโดยการาทำธุรกิจอะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าอาชีวะไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ควรที่จะให้โอกาสให้ในการที่จะกล่าวโจทหรือว่าเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนขลาวเมื่อถูกซักก็ไม่อาจในการที่จะตอบข้อที่สูกซักได้ก็ไม่ควรให้โอกาสเช่นเดียวกัน หรือเป็นวิสุทธอรัชีอรัชีก็แปลว่าไม่มีอย่างอายคนที่ไม่มีอย่างอายนั้นย่อมมีการกระทําผิดพระพุทธบัญญัติได้ทุกอย่างเพราะอาการที่วิสุทธิเจตกบัตนั้นทั้งกล่าวไว้หกอย่างก็อหนึ่งต้องโดยไม่ละอายคืออลัชีนั่นเองและข้อนี้แหล ะ, ะบอกว่าข้อที่เลวที่สุดเพราะคนไม่ละอายทําผิดได้ทุกอย่างไม่ว่าอบัติจะเป็นอบัตหนักอบัติเมาอบัตอะไรก็แล้วแต่คนไม่ละอายแล้วทําได้ทุกอย่างนั่นเอง คนเป็นพานก็คนที่มีสันดานชั่วช้าเลวทรามอมาขอโอกาสก็ไม่ควรให้หรือไม่ใช่ปกักกาตาเช่นพิสุที่สุกสงฆ์งอเคบริยกรรมหรือสงฆ์ที่กําลังพระพฤทธอุทฐานเวทีจะมากล่าวโจทย์พิสุปกติไม่ได้นั้นก็พิสุคนี้มากล่าวโจทย์ว่ามาขอโอกาสในการที่จะโจทย์นั้นก็ไม่ควรให้โอกาสเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจอต่อเมื่อเราพิจารณาพร้อมด้วยองค์ห้าตรงกันข้าม <c oughs> คือเป็นผู้ที่มีการประพฤติดีการทางกายทางวาจามีอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้ฉลาดหรือเป็นผู้สามารถเมื่อซักแล้วก็ตอกข้อจะถูกซักได้เป็นภิกษุลัชชีคือมีการมีอย่างอายประพฤติดีปฏิบัติชอบใหม่เป็นพานภิกษุที่เป็นปักกัตตะโดยมีผู้มีความปรารถนาในอันที่จะให้ดีงามยิ่งขึ้นไปอย่างไรมาขอโอกาสก็ควรที่จะให้โอกาส นี่ยยุควนทําโอกาสองค์เหล่านี้ที่สําคัญก็คือว่าเป็นผู้ไม่ใช่เป็นปกติองค์เดียวเท่านั้นพึงยกฟ้องเสียหมายว่าถ้าผู้นั้นไม่ใช่ปกตะแล้วมาขอเอามาโจลหรือมาขอโอกาสในการโจดก็ยกฟ้องเลยไม่ต้องรับพิจารณาอนอกจากนี้ก็ท่านบอกว่าพึงช่างดูก่อนถ้าเห็นว่ามีความประพฤติเสียหายรวมหลายอย่างก็พึงยกฟ้องเสียก็ได้เหมือนกันอถ้าเป็นองค์เออ่ ไม่สําคัญเช่นเป็นผู้เขาไม่ฉลาดหรือถูกซักเข้าไม่อาจให้คําตอบในข้อที่ถูกซักอาชีนี้ก็ควรแจะแนะนําให้จําเลยนั้นให้โอกาสก็หมายความว่าเขาอาจจะไม่ฉลาดจริงเ อ, อหรือว่าไม่ค่อยจะเข้าใจก็เขาเห็นว่ามาอย่างนั้นจริงก็ควรพิจารณาให้โอกาสตามสมควรในทีิสุผู้ประกอบในองค์เหล่านี้แหละนะหมายถึงว่าองค์ที่เป็นรัชชีต่างๆเนี่ยท่านบอกว่า พิสูจน์เหล่านี้ห้ามบสชศรธรมประวัติานไม่ขึ้นเนี่ิสุจน์ที่ประกอ uan, บด้วยองค์เหล่านี้ห้ามบสถศรธรมประวัติานไม่ขึ้นก็คือหนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าประการคือเป็นลัทธิเป็นผานเป็นผู้ไม่ใช่ประกาศตา่างๆเป็นผู้มีความปรารถนาในอันกําจัดกล่าวหาเป็นผู้มีความปรารถนาในอันให้ออกอยากอวบัดกล่าวไม่สองเป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์เป็น ผ, าานผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้เขาไม่ฉลาดเป็นผู้ทําการยุ่งยิ่งและการทะเลาะถ้าเห็นว่าต้องด้วยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่สมควรให้ว่าอธิกรณ์พึงห้ามโจทย์ว่าอย่าทําให้เกิดความยุ่งยิ่งความทะเลาะหรือความแก่งแย่งความวิวาทเลยแล้วก็ยกฟ้องเสียนถ้าโจทย์ไม่ต้องด้วยลักษณะอย่างนั้นพึงพิจารณาโจทนาของโจทย์ว่ามีมูลหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีมูลควรพิจารณาก็ เราเห็นว่าไม่มีมูลก็พึงยกฟ้องเสียแต่ลักษณะของพิสูจน์ผู้ควรได้รับเลือกให้เป็นผู้พิจารณาคดีคือผู้ซักถามนั้นต้องมีลักษณะดีดังนี้มีเป็นผู้มีศีลเป็นผู้พิสูจน์เป็นผู้ทรงปฏิโมกเป็นผู้อาจเพื่อชี้แจงให้คู่ความเข้าใจและเกิดความลืมใส่สองเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์เป็นบัณฑิตฉลาดอาจชี้แจงข้อที่ถูกซักถามสามรู้วัตถุรู้นิฐานรู้พระบัญญัติรู้บทที่ตกภายหลังรู้คลองแห่งคําอันเข้าอนุสันธิการได้สี่รู้ธรรมรู้วินัยกับทั้งอนุโลมเป็นผู้ฉลาดในฐานะอาถานะคือเหตที่อาจจะเป็นได้และไม่อาจจะเป็นได้เป็นผู้ฉลาดในอัดในพยัยมชนะเบื้องต้นเบื้องปลาย ที่สมกันหรือแย่กันเป็นผู้ชลาดในการวิชัยอันนี้ผู้ที่จะพิจารณาคดีก็จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะอย่างนี้ดังที่กล่าวมานี้คือต้องเป็นคู่มีคุณธรรมจริงๆถ้าคนไม่มีคุณธรรมจริงๆแล้วไปให้พิจารณาคดีก็อาจจะเกิดเป็นเหตุให้เสียหายหรือเป็นไปตามอำนาจของความลำเอียงได้น่ การพิกษุผู้อันสงเลือกให้เป็นผู้พิจารณานั้นก็พึงประพฤติให้ดีนะพึงประพฤตินะตนให้ดีดั่งนี้หนึ่งพึงเป็นผู้หนักคือเคารพในสงไม่พึงเป็นผู้หนักในบุคคลสองเป็นผู้หนักในพระสัษธรรมไม่พึงเป็นผู้หนักในอมามิธสามพึงเป็นผู้เป็นไปตามอำนาจคดีไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัท 4. ีพึงรู้จักที่นั่งห้าพึงนั่งนอัอาสนะของตนนะทอดตาชั่วเอกเพ่งเนื้อความนั้นหกไม่พึงลุกจากอาสนะไปข้างหน้าเจ็ดไม่พึงเสพทางเสียแปดไม่พึงสายคำหรือว่ า, าสายแขนเก้าพึงเป็นผู้ไม่พูดปล่อยเป็นผู้พูดดีมีที่สุดสิบเป็นผู้ไม่รุกรน เป็นผู้ไม่ผลผลันสิบเอ็ดเป็นผู้ไม่ผูกเวรเป็นผู้ไม่ขัดเคืองสิบสองเป็นผู้ไม่ดุดันเป็นผู้อดได้ต่อถ้อยคาสิบสามพึงเป็นผู้มีเมตตาจิตเป็นผู้คิดเอ็นดูเพื่อประโยชน์สิบสี่พึงเป็นผู้มีการุณาเป็นผู้ขนขวายเพื่อประโยชน์สิบห้าพึงรู้จักตนพึงรู้จักท่านสิบหกพึงสังเกตโจทย์พึงสังเกตจาเลยว่าเป็นผู้เช่นไร สิเเป็นผู้อ่เป็นผู้ามาพึงพูดเอาใจให้ร่าเริงสิบแปดเป็นผู้อ่ขลาดพึงอ่พูดปลอสิบเก้าเป็นผู้ดุพึงห้ามเสียยี่สิบเป็นผู้ไม่สะอาดอ่ดยความประพฤติก็พึงตัดเสียยี่สิบเอ็ดเป็นผู้ตรงพึงประพฤติต่อด้วยความอ่อนโยน ยี่สิบสองไม่พึงถือฉันทากติโทสากติโมหกติพยาคติยี่สิบามพึงวางตนเป็นกลางทั้งในธรรมทั้งในบุคคลยี่สิบสี่พึงซักนะพึงซักโดยโดยการไม่พึงซักโดยอาการยี่สิบห้าพึงซักโดยความจริงไม่พึงซักด้วยความเท็จยี่สิหกพึงซักด้วยคำสุภาพไม่พึงซักด้วยคำหยาบยี่สิบเจ็ดพึงซักด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ ในคดีไม่พึงซักด้วยคำไร้ประโยชน์ยี่สิบแดพึงเป็นผู้มีเมตตาจิตซักไม่พึงเป็นผู้เพ่งโทษซักเช่นน้อมใจเชื่อว่าจําเลยทําผิดจริงหรือโจษใส่ความยี่เก้าไม่พึงเป็นผู้กระซิบที่หูสามสิบไม่พึงชําลืองดู่ไม่พึงขยิบตาไม่พึงเลิกคิ้วไม่พึงชั่งเงษีส่าไม่พึงทําวิการแหงมือคือใช้ใบไม่พึงแสดงปลายนิ้วหนึ่ง ส1ิบเอ็ดในขณะสักพึงกำหนดข้อความอันสองฝ่ายกล่าวมิให้ตกหล่นสามสิบสองไม่พึงแทกข้อความอันเขามิได้กล่าวสามสิบสามพึงทรงถ้อยคำอันเขาประเคนไว้อย่างดียาสามสิบสี่พึงกำหนดรู้ผู้โจทย์ด้วยธรรมหรือโดยอาธรรม สาสห้าพึงกำหนดรูปผู้โจทย์โดยทรรมหรือโดยอารรมสามสิบหกพึงถารรมให้รับสารภาพแล้วให้ทำตามปฏิญญาภิกษุผู้พิจารณาประกอบด้วยองค์อาการดังที่กล่าวนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพและสรรเสริญแห่งสะพรมวจารีทั้งหลายผู้เป็นวิญญู อันหนึ่งภิกษุผู้พิจารณาคดีนั้นพึ่งรู้จากเลือดถามเฉพาะข้ออันเกื้อกูลแก่คดีพึ่งลดข้ออันไม่จำเป็นเสียทำอย่างนี้แหละเป็นการพอดีอข้อที่ท่านห้ามไม่ให้ถามถึงก็คือหนึ่งห้ามไให้ถามถึงอุปชายะและอาจารย์สอง ห, าห้ามไม่ให้ถามถึงสัตติภหาริกอันเทวาสิกผู้ร่วมอุปชายยะกัน สมห้ามไม่ให้ถามถึงสัตว์ที่หมายริขอันเสทสศิษฐ์ผู้ร่วมอาจารย์กันสีห้ามไม่ให้ถามถึงชาติชื่อโคตรอาคมหรือปริยัติที่ตนเรียนคุณประเทศชาติภูมิการที่ข้าห้ามไม่ให้ถามเช่นนี้นั้นก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดความรักความชังขึ้นในเมื่อได้รู้เรื่องอันเป็นทางให้ถึงซึ่งอคติสีก็ได้ อภิสูรผู้พิจารณาคดีนั้นเพึงสอบถามเพื่อฟังคำให้การของจำเลยกิริยาที่สอบถามนี้ต้องเรียกว่าสารนาแปลว่าการให้ระลึกการให้ระลึกมีคำโจทย์สอบถามเองก่อนเหมือน อ, อย่างของโอกาสดังที่กล่าวมาแล้วในวิว า, าทิกรคำโจทย์สอบออสอบถามนั้นท่านว่า ส, สาระปายะอายะสาระตายะสมาเอวะรูปังอาปติงอาปจิตตวาซึ่งแปลว่าขอท่านจงระลึกดูว่าเป็นผู้ต้องอบัตเห็นป่านนี้จเจําเมรนั้นเอพึ่งตั้งอยู่ในธรรมท่านบอกว่ า, วาจำเลยพึ่งตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือหนึ่งให้การตามความเป็นจริงสองไม่ขุนเคืองอสอง ข้อนี้ก็สําคัญที่เราจะต้องจดจําเหมือนกันเท่าให้ขึ้นใจว่าจำเลยจะต้องตั้งอยู่ในธรรมกี่ประการเราก็ตอบได้เลยว่าเพิงตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือหนึให้การตามความเป็นจริงสองไม่ขุนเคืองไม่โกรธนั่นเองการเรียกาอนุอนุวาธาธิ่ก่อนถ้าจำเลยกตินยาหรือรับสารภาพสงก็เพิ่ใคร่ครวญดูว่าคําปะิญญาของจําเลยนั้นเป็นธรรมหรือไม่ถ้า สมเรื่องสมราวสมเหตุสมผลพือรู้ว่าเป็นธรรมพือให้ทาตามปฏิญญานั้นอย่างนี้อนุวัตาอธิกรณ์นะครับด้วยสมมถะาสองคือสัมมุขาวินสองปฏิญญาตการาปฏิญญาตการนะสัมมุขาวินัยในอธิกรณ์นี้ก็พร้อมด้วยองค์ีแต่ถ้าคำปฏิญญาของยาเลยนั้นฟังไม่ได้สนิทไม่มีคา พยานอันจะพึงฟังได้ดีกว่านั้นก็พึงให้ตามปฏิญญาเหมือนกันแต่คำปฏิญญาของจำเลยนั้นเขาจำเลยไม่เป็นธรรมไม่สมเรื่องไม่สมราวไม่สมเหตุสมผลหรือว่าแบ่งรับแบ่งอแบ่งรับแบ่งสู้หรืออย่างไอ้คำนองนี้แต่มีคําพยานรับนะเป็นหลักฐานควรฟังได้ว่าจำเลยผิดหนักกว่าที่ปฏิญญา ก็พึงปรับตามเพื่อรปรับจำเลยตามคำพยานนั้นได้อย่างนี้อนุวาถาธิกรก็สรับด้วยสมมติาสองคือสัมาวิเนยและก็ตัดสปาวิยสิกานะตัดสปาวิยาสิกาอถ้าจำเลยปฏิเสธผู้พิจารณาก็พึงสักถามโจทย์นะพึงสังถามโจทย์ตามสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจทกันเอเกี่ยวกับการต้องอบัตอย่างไร เรียกว่าลูกว่าทาที่ก่อนเราก็ได้ศึกษามาแล้วก็พอจะเข้าใจแต่ว่าให้นักศึกษาต้องทบทวนให้หลายๆครั้งจึงจะเกิดความเข้าใจครับเวลาของเราในวันนี้ก็สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงมางเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกรทั้งหลายที่กําลังศึกษาพระวิชาพระวินัยอยู่ทุกๆ ท, ท, ท่านเถิด สวัสดีครับเพื่อนสาธมิกทุกรูปที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกเออวันนี้เราก็มาเรียนวิชาพระวินัยต่ อ, อ, อคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับอนุวัทาธิกร <c oughs> ยังไม่จบนั้นเราก็มาต่อซึ่งคราวที่แล้วเราได้ศึกษามาถึงเกี่ยวกับท่าจำเลย ปฏิเสธผู้พิจารณานั้นจะพึงซักถามโจ์นิการซักถามโจ์นั้นจะถามอย่างไรท่านแสดงไว้อย่างนี้หนึ่งพึงซักถามถึงเรื่องจำเลยทำคือวิบัติอาบัติอัตยาจารอ์อันเรื่องมาแต่เรื่องนั้นสองพึงซักถามถึงรูปประพันธ์สันฐานของผู้ทำอิริยาบถและอาการเมื่อกำลังทำ 3. พึงซักถามถึงการอันต่างโดยปีเดือนวันและเวลาที่ทำาีพึงซักถามถึงสถานที่และทิศ ท, ที่ทำโดยสมควรแก่เรื่องที่โจ์ว่าให้เห็นเองและได้เห็นเองหรือได้ฟังมาอย่างไรหพึงซักถามถึงชื่อผู้บอกคำบอกและเหตุให้บอกประกอบกับการและสถานที่ที่เขาบอก โดยสมควรแก่เรื่องอที่โจ์ว่ามีผู้บอกอหอพึงสักถ า, ถามถึงอาการทำให้เกิดรังเกียจอันได้เห็นหรือได้ฟังประกอบกับลักษณะอันกล่าวแล้วโดยสมควรแก่เรื่องที่โจทดตั้งรังเกียจขึ้นมาเอาวิธีสักถามจำเลยท่านมิได้แสดงไว้แต่พึงสักโดยใน นั้นเป็นต้นว่าซักถามถึงฐานที่อยู่ในวันเวลาที่โจดกล่าวหาอันจะยังรู้ตระหนักเป็นทางสนิฐานข้อเท็จจริงก็ด้วยการเข้าใจซักถามและมีไหวพริบคอยสังเกตอันแยบยลลักษณะพยานที่ควรฟังได้หรือไม่ได้นั้นตามบาลีท่านกล่าวอย่างนี้หนึ่งเห็นสมด้วยเห็น เช่นโจทย์กล่าวหาว่าได้เห็นจำเลยเทําการละเมิดอย่างนั้นอย่างนั้นพยานโจทย์ก็เบิกความสมกันโดยอาการวันเวลาสถานที่ฐานที่และอื่นๆไม่มีข้อแตกต่างกันคําพยานก็มีลักษณะอย่างนี้ควรฟังได้สองเห็นเทียบกันได้กับเห็นเช่นพยานโจทย์เบิกความสม ใจความนะสมด้วยใจความแ ต, ต่ต่างกันโดยพละความอันไม่สำคัญคำพยานมีลักษณะอย่างนี้ควรฟังได้เหมือนกันสามเห็นยันกันไม่เข้ากันเช่นพยานโจดเบิกความแตกต่างกับเคาะคำของโจ์โดยใจความอันสำคัญหรือคำของพยานผู้นั้นเอง ในเมื่อถูกซักเบิกต้นกับปลายไม่สมกันคำพยานมีลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ควรฟังโดยแท้สีพยานผ่ามากนะพยานผ่ามากเช่นคำพยานฝ่ายจำเลยเบิกสมอ้างหรือสมมาข้างโจดและคำพยานฝ่ายโจดเบิกสมไปข้างจำเลยคำพยานลักษณะอย่างนี้เป็นคำพยานที่ฟังไม่ควรฟังเลยเนะ การสืบพยานหรือการสักพยานการสืบพยานหรือการหรือคำพยานได้ในบทว่าสวาจนยังแปลว่าความเป็นผู้มีคำอันจะพึงกล่าวสวัณียังแปลว่าคำอันจะพึงฟังอันเรียงไว้ในลำดับแห่งบทว่าสารนาในคำพีบริวานนะตอนจุลสังขามเนี่ย ท่านกล่าวไว้ว่าการซักพยานได้ในบทว่าปาโโริโพโโทแปลว่ากังวลหรืออกอวนที่เรียงไว้ในลำดับแห่งบทสวัจฉิยังหรือสวัณียังอแปลในท้ายบทว่าวินิจฉโยในคมภีบริวารตอนนั้นการไข ค, ครววของสงได้ในบทว่าสันติรนาแปลว่าตรงกันหรือไตรตรอง นั้นการจะสนิษฐานได้ในบทว่าฐานาฐานะขามาหนังแปลว่าถึงฐานะและไม่ใช่ฐานะหรือคืออย่างเห็นว่าเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ในคัมภีบริวารตอนนั้นดังนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไรทีนี้เราก็มาว่าถึงทิฏฐาวิก ร, รมอาภิสุผู้เข้าประชุมเป็นสง บางรูปไม่เห็นร่วมด้วยคำวินิจฉัยอันแสดงหรืออันสรงรับรองท่านให้แสดงความเห็นแยง้งซึ่งเรียกว่าทิฏฐาวิกรรมนะทิฏฐาวิกรรมมัง่งแปลว่าทางความเห็นให้แจ้งทิฏฐาวิกรรมอันชอบแก่ระเบียบนั้นอย่างไรตรงนี้ก็ขอให้เพื่อนสาธมิกได้เข้าใจและได้ท่องจาให้ขึ้นใจ คือที่ถาวิกรรมแปลว่าทำความเห็นให้แจ้งนั่นเองที่ถาวิกรรมที่อันที่ชอบด้วยระเบียบนั้นท่านแสดงไว้อย่างนี้หนึ่งทำความเห็นให้แจ้งในอาบัตสองทำความเห็นให้แจ้งในอาบัตเป็นเทศนาคามิมีสามทำความเห็นให้แจ้งในอาบัตที่อย่างไม่ได้แสดง สทาทความเห็นให้แจ้งพร้อมกันสี่รูปห้ารูปอ่าคือ่ไม่ทําความเห็นให้แจ้งพร้อมกันสี่รูปห้ารูปห้าไม่ทําความเห็นให้แจ้งโดยนึกในใจหกทาความเห็นให้แจ้งในสํานักสมาณาสังวาสเจทดทาความเห็นให้แจ้งในสํานักตั้งอยู่ในสีหมาเดียวกันแปดทความเห็นให้แจ้งในสํานักแห่งพิสูพุเป็นปักตตา ทั้งแปดอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐาวิกรรมทําความเห็นให้แจ้งทาความเห็นให้แจ้งในอบัอบอับนั้นมีอย่างไรเราได้ศึกษานธรรมฉันตรีซึ่งได้กล่าวว่าอาบับนั้นคืออะไรและมีเท่าไหร่อะไรบ้างออบันะก็ทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าอวบนั้นก็คือโทษที่เกิด าความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามท่านเรียกว่าอาบัตนะหรือว่าการละเมิดพุทธบัญญัติมีโทษเหนือตนอยู่ก็ชื่อว่าอาบัต์อาบัต์แปล ว, ว่าความต้องนั้นทำความเห็นให้แจ้งในอาบัตินั้นเป็นอาบัต์อะไรนะอาบัติที่กล่าวไว้มีเจ็ดชื่อก็มีปาราชิกหนึ่งสังกาธิเศษหนึ่งทุลจัยหนึ่ง เอปาจิตีหนึ่งปาเทสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิทธหนึ่งแล้วก็ทั้งเจดอย่างนี้เมื่อว่าโดยโทษก็มีอยู่สามสถานอย่างหนักอย่างกลางอย่างเบาอย่างหนักอย่างผู้ต้องให้ขาดจากการเป็นปิกสุได้แก่อวัตตปาราชิกอย่างเดียวอย่างกลางอย่างผู้ต้องให้อยู่คำได้แก่อบัตตสังฆาติเศษและก็อย่างเบาก็ตั้งแต่อวัตต์ุรุจใจลงไปจนถึงอบัดต์ทุกภาสิทิ์ นั้นก็ผู้ต้องจะพ้นได้ก็โดยการแสดงต่อสงฆ์ต่อคณะหรือต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นได้ก็ย่อลงมาอย่างนี้แล้วก็ทําความเห็นให้แจ้งในอว บ, บัดนั้นเหล่านัน้นที่ว่าข้อสองที่ว่ า, าความเห็นให้แจ้งอในอว บ, บัดที่เป็นเทศนาคามินีคําว่าเทศนาอว บ, บัดที่เป็นเทศนาคาเมณีนั้นคืออว บ, บัดอย่างไรอว บ, บัดที่เป็นเทศนาคาเมณีก็คืออว บ, บัดที่พ้นได้โดยการแสดง พ้นได้ด้วยการแสดงอวัตตมีสองอย่างวุฒฐานคาที่แก้ไขได้มีสองอย่างคือวุฒฐานคาเมนีกับเทศนาคาเมนีวุฒฐานคาเมนีก็คือพ้นได้ด้วยการสระพติวุฒฐานวิธีคืออยู่กรรมได้แก่บัสะกาติเศษเทศนาคาเมนีได้แ ก, พ ก, แ ก, แกแ่พ้นได้ด้วยการแสดงก็ได้แก่อวัตตตั้งแต่ธุระใจลงไปจนถึงทุพราศีนั้นพ้นได้ด้วยการแสดงนะ่ ันั้นจะทำความเห็นให้แจ้งได้ในเรื่องนี้ก็เฉพาะที่เป็นอาบัตที่เป็นอาบัตเบาคืออาบัตเทศนาคารมณีแสดงได้สามทำความเห็นให้แจ้งในอาบัตที่ยังไม่แสดงด้วยแต่อาบัตที่แสดงไปแล้วก็แล้วไปทำความเห็นให้แจ้งเฉพาะในอาบัตที่ยังไม่ได้แสดงว่ามีอาบัตอะไรที่เรายัางไม่ได้แสดง แล้วก็ประการที่สี่ว่า ไ, ไม่ทำความเห็นให้แจ้งร้อมกันตั้งแต่สี่รูปห้ารูปเนี่ยไม่ทำความเห็นให้แจ้งเป็นเป็นสงเลยแล้วก็ไม่ทำความเห็นให้แจ้งดยการนึกเอาในใจนึกเอาในใจนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องอทำความเห็นให้แจ้งในสำนักสมานสังวาสก็คือภิกษุที่เป็นสั ง, สงวาสเสมอกันที่ เป็นพิสูุนที่สามารถทําวสวดสังฆกรรมร่วมกันได้เด็กวัดสมานรังสังวัตนะมีสังวัตซึ่งกันและ ก, กันเสมอกันทําความเห็นให้แจ้งในสํานักของพิสูุนที่อยู่ในสีมาเดียวกันก็คือในวัดเดียวกันแล้วก็ในอสีมาเดียวกันแล้วก็ทําความเห็นให้แจ้งในสํานักพิกสูจน์เป็นปักกัตะตะด้วยคือพิสูจน์ปกติไม่ถูกสงุงเขมรกรรมไม่ถูกสงธรรมกรรมอันใดอันหนึ่งอื นั้นต้องทำความเห็นให้แจ้งในสานักประกาศตาภิกษุกษธาธากษทิฐาวิกรรมนั้นต่างจากปฏิโกสนาปฏิโกสน า, าได้แก่กล่าวคัดค้านจังๆทิฐาวิกรรมนั้นเป็นแต่แสดงความเห็นไม่ร่วมกันเป็นส่วนตัวไม่ได้คัดค้านานี่ก็เพึงเข้าใจคาว่าทิถาวิกรรมกับปฏิโกสนานะ ทิฏฐาวิกรรมนั้นเป็นการแสดงความเห็นนะคือเห็นความเห็นที่เห็นนั้นไม่ไม่ตรงกันเนี่ยก็เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวออกมาแต่ปฏิโกศนานั้นเป็นการคัดค้านไม่เห็นด้วยนั่นเองอต่างๆกันตรงนี้อต่อไปก็ตัดสปาวยวิศิกาตัดสภาวะวิกาเนะ่ยมีสองในคือในสมถอะอาคันตะกะคัมภีจู ล, ละวั กล่าวถึงตัดสภาวิยศิกาเป็นสองอย่างเอาไว้คือหนึ่งตัดสภาวิยสศิกาโดยสัมะถาวิธีการปรับโทษจำเลยผู้กระทำความผิดคือละเมิดแล้วไม่ไม่รับสารภาพได้แก่ตัดสภาวิยสศิกาแปลว่ากิริยาที่ทําด้วยความที่ผู้นั้นเป็นผู้สามารถสองตัดสภาวิยสศิกา ตัดสภาวะยสิกากรรมโดยนิกหาวิธีการทํานิกหะเพิ่มอคือเพิ่มโทษขึ้นอีกส่วนหนึ่งแก่จําเลยได้แก่ตัดสภาวะยสิกากรรมแปลว่ากรรมเนื่องด้วยตัดสภาวะยสิกาเนี่ยตัดสภาวะยสิกากรรมแปลว่ากรรมเนื่องด้วยตัดสภาวะยสิกาตัดสภาวะยสิกากรรมไม่จําเป็นต้องทาแก่ จำเลยผู้ถูกปรับโทษด้วยตัดสบายศิสิกากรรมทุกรูปเนี่ยพึงทำแก่จำเลยผู้ถูกสักถึงอาบัตในถ้ำกลางสงให้การไม่เป็นที่พอใจสงนะให้การไม่เป็นที่พอใจสงท่านกล่าวว่าอย่างนี้หนึ่งให้การกลับไปกลับมาสองปฏิเสธแล้วกลับปฏิญญาปฏิญญาแล้วกลับปฏิเสธสามพูดถลากถไลเพื่อกบเกลื่อนข้อที่ถูกซัก ซีพูดมูาสาซึ่งหน้านะถ้าจำเลยเป็นผู้มีการกระทำดังกล่าวนี้ให้โทษเพิ่มโทษตัดสภาวิทยสิกกรรมเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยวิธีอะไรครับอนุวาธทาทิกรด้วยไม่ต้องพิจารณาก็มีเนะยคื อ, อการนะงับอนุวาตทาทิกรเนี่ย มีทั้งที่ควรพิจารณาและก็ไม่ควรพิจารณาที่ควรพิจารณานั้นได้กล่าวมาแล้วเราได้ศึกษากันมาแล้วทีนี้ อ, อนุวัทตาธิกรคือมีผู้กล่าวโจทย์ผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเห็นว่าไม่ควรพิจารณาเนี่ยท่านแสดงไว้สองอย่างนะคือหนึ่งจำเลยเป็นผู้มีสติภัยบูนคือเป็นพระอรหรันต์ทรงประกาศให้สติวินัยแก่ท่านแล้ว เนะ่อันนี้สติวินัยก็แปลว่าวิธีระงับด้วยสติตพระอรหันต์ก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นผู้ที่ตัดกิเลสได้คลายกิเลสออกสำรอกกิเลสลดเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายวจาจาใจพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่ไม่ทําความผิดหรนะืไม่ทําความผิด ด้วยจิตประสงค์ที่จะละเมิดพุทธบัญญัติเนี่ยไม่มีความผิดอย่างนั้นเช่นพระอราหารันต์จึงเป็นผู้บริสุธทธิ์ท้ายจะกล่าวหาพระอราหันต์ว่าท่านทำผิดอย่างโน้นท่านทำผิดอย่างนี้อ่าก็ให้พิจารณาอ่าท่านบอกว่าให้ยกฟ้องไปเลยไม่ควรพิจารณาก็เคยมีในครั้งพุทธกาลเช่นพระทัพพระมละบตรนี่ท่านเป็นพระอราหันต์และก็มี ผู้มัจกาะพระเมตยากับผูมัจกาะนี่ได้กล่าวใส่ร้ายท่านกล่าวหาท่านว่ากระทําความผิดกับนางเมตยาภิกษุณีอย่างนั้นอย่างนี้แต่แล้วก็ท่านเป็นพระอราหันต์ท่านได้กราบทูลแก่พระพุทธเจ้าว่าแม้แต่ฝันท่านก็ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเ อ, อมี นั้นก็พระพุทธองค์ท่านก็ทรงตัดสินโดยที่ไม่ให้พระทัพพระมารบุตรนั้นมีความผิดอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์แล้วนั้นเมื่อใครกล่าวโจทย์พระอรหันต์ว่าท่านมีความผิดอะไรอย่างไรนั้นอันนี้ไม่ต้องพิจรารณาแต่ปัจจุบันเราเข้าไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเรารู้ไม่ได้เพราะว่า จิตใจของพวกเราทุกวันนั้นเป็นใจิตใจที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสคือยังเป็นปูตุชนหนานแน่นไปด้วยกิเลสนั่นเองจะไม่อาจสามารถที่จะไปรู้ใจิตใจของผู้ที่มีความบริสุทธิ์เช่นพระอราหันต์ได้และถ้าจะถามว่าอาที่เขาบอกว่าพระอราหันต์มีที่โน่นที่นี่นั้น น, น, นั้นหมายถึงอย่างไรเราก็ตอบได้ว่าเป็นพระอราหันต์ที่เราแต่งตั้งกันขึ้นมา จากการที่ผู้หวังจะได้อะไรจากการแต่งตั้งพระอราหันต์นั่นเองเขาแต่งตั้งกันขึ้นมาบางทีก็อาจจะเป็นไปเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาได้แต่งตั้งเพื่อ ย, ยกย่องให้อาจารย์ของตนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาหรือไม่ก็เพราะว่าผู้พิมพ์หนังสือต้องการที่จะค้าขายหนังสืออะไรใดตรงนี้ก็มีได้ ก็แต่งตั้งพระอาหารหันต์สุบุรีขึ้นมาเยอะแยะมากมายนั้นก็แต่นั่นก็เป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสก็มักจะอาจจะแต่งตั้งให้ผู้ใดผู้หนึ่งวิเศษขึ้นมาก็ได้แต่ที่จริงแนละ้วพระอาหารหันต์นั้นท่านจะไม่มีการแสดงว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์บอกใครต่อใครว่าเป็นพระอาาริยบุคคลซึ่งมีอยู่ที่เราเห็นอยู่หรือได้ยินอยู่ทุกวันที่อ้างตัวเองว่าเป็นพระอาหารหันต์หรืออ้างตัวเองว่าเป็นพระอาาริยบุคคล อย่างนั้นอย่างนี้นัน้น น, นั่นคือไม่ใช่พระริยบุคคลหรือไม่ใช่เป็นพระอราหันต์เพราะตามหลักแล้วพระอรหันต์หรื อ, อ, อผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยจะไม่ละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามโดยแม้แต่เรื่องของอาชีพและก็มีพุทธบัญญัติห้ามไว้ในสิกขาบทที่แปดแห่งมุสาวาทวากว่าเพิกสบบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแกอนุปัฏฐานต้องป่าจิตตี ได้จะเห็นว่าผู้ที่เป็นพระสา์จะไม่ละเมิดในข้อที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนั่นก็เราปัจจุบันนี้จริงไม่รู้ว่าใครเป็นพระสารเราก็เมื่อมีการโจทกการกล่าวหากันก็จะต้องพิจารณาเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระสารถ้าเป็นพระสารแน่แล้วเราก็ยกฟ้องไปเลยไม่ต้องพิจารณาที่เราไม่รู้อยู่ก็เนื่องจากไม่มีญาณอันพิเศษหรือจิตใจของเรายังมีกิเลสมากมาย ก็จำเป็นที่เราจึงต้องมีการฟ้องร้องหรือมีการกล่าวหากันอยู่ตามสมควรแต่ก็ต้องพิจารณาไปตามนั้นนั้นว่าตามพระวินัยแล้วผู้ที่มีสติภัยบูร์คือพระอรหันต์นั้น เ, เมื่อใครกล่าวหาแล้วไม่ต้องพิจารณานะเป็นสติวินยัยสงับด้วยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แล้วและข้อสองก็คือจำเลยถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ทาใ้คราวเป็นบ้าให้ในคราวเป็นบ้า สงประกาศให้อมูลหาวิไนยแก่ท่านแล้วอมูลหาวิไนยแปลว่าวิไนสําหรับผู้ที่หายหลงแล้วอันนี้ก็หมายความว่าในขณะที่พิกสุทําความผิดนั้นทําในในเมื่อกําลังเป็นบ้าอยู่คือผู้ที่เป็นบ้าในรับการยกเว้นทุกสิ่ขาบทเลยไม่ให้ต้องอบัติเพราะคนเป็นบ้าคือคนมีสติ ฟั่นเฟือนมีเวทนากล้าไม่รู้อะไรเป็นอะไรอาจจะฆ่าคนก็ได้อาจจะถือเอาของใครก็ได้หรืออาจจะไปทำผิดอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นบ้าก็เป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วเป็นบ้าคือคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ดีนั่นเองเมื่อคนเป็นบ้าพระเป็นบ้าก็ไม่ปรับอบัตแก่พระบ้านะแ้าใครไปทาโทษแก่คนบ้าคนนั้นก็บ้ามากกว่าไปอีก <c oughs> ก็ในขณะที่เป็นบ้าเนี่ยนะไปทําผิดแล้วก็พอหายบ้ามีใครมาโจดมีใครมากล่าวหาท่านว่าท่านทําความผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ท่านบอกว่ า, วาไม่ควรพิจารณาคดีนี้เพราะผู้ทําผิดนั้นทําในขณะที่เป็นบ้าพอหายบ้าใครจะมามาฟ้อง <c oughs> มากล่าวหานั้นไม่สมควรแล้วก็ในพระวินยัยบอกว่ า, วาให้ยกเลิกให้ยกฟ้องไปไม่ต้องพิจารณา ก็มีอยู่ทั่วไปที่เป็นบ้าในปัจจุบันนี้ก็ถ้าจะหาดูให้ง่ายที่สุดก็คือโรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาลสงค์นี่สงฆ์กับประสาทก็คล้ายๆกันอชื่อเดียวกันตัวสอเหมือนกันนั้นก็มีมากนั้นก็เป็นเรื่องของการเป็นบ้าแล้วก็ทําผิดในขณะเป็นบ้าและเมื่อหายบ้าใครจะมากล่าวหาฟ้องร้อง น, น, นั้นก็ไม่ควรพิจารณาดังที่ได้กล่าวแล้ว เรื่องสองเรื่องนี้ เ, เมื่อคดีเกิดขึ้นแล้วให้ไม่ต้องพิจารณานีก็เป็นข้อสําคัญที่เพื่อนสาธรรมิกท่างหลายที่กําลังศึกษาอาถ้าถามว่าอนวุวาติกรเช่นไรบ้างที่ไม่ต้องพิจารณาก็ได้เราก็ตอบได้ทันทีว่าอาอนุวัติกรที่ไม่ต้องพิจารณานะั้นมีสองอย่างคือหนึ่งจำเลยเป็นผู้มีสติภยัยบูนคือเป็นพระหรหัรสองจําเลยถูกโจทย์ ด้วยเรื่องที่ทําในขณะเป็นบ้าอันนี้ไม่ต้องพิจารณานะทีนี้โทษแห่งอนุวาัติกร น, นั้นเป็นประการใดบ้างโทษแห่งอนุวาทัติกรเกิดขึ้นแล้วไม่รีบประ ง, งับหนี่จักเสียนะจักเสียเป็นเหตุได้เกิดความเสื่อมเสียอยู่สองประการโดยสรุปแล้วคือหนึ่งจักทาให้เสียศีลสามัญญาตาสอง จะทำให้เสียสามัคคีเนี่ยโทษแห่งอนุวัธิกรถ้าไม่ระงรับไม่รีบรังับไม่แก้ไขแล้วก็มีโทษสำคัญอยู่สงประการถ้าไม่เสียศีลสามัญญาตาคือมีการประพฤติไม่สมาเสมอกันในด้านการประพฤติก็เกิดการประพฤติว่ากลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความเคร่งครัด กลุ่มนั้นเป็นคนที่มีความเป็นกลุ่มที่มีความย่อหย่อนอะไรเนี่ยก็ตั้งคณะชื่อคณะขึ้นมาว่าคณะนั้นเคร่งครัดคณะนี้เ อ, อ, ย อ, อย่อหย่อนนี่เกิดเสียสินสามัญตาแล้วนะั้นการที่ให้มีคณะอย่างนั้นให้มีคณะอย่างนี้ที่ที่เรียกกันขึ้นมาสมมุติกันขึ้นมาว่าเคร่งหรือไม่เคร่งเมันก็เป็นเหตุให้เกิดการเออ่ ทะเลาะกันขึ้นมาได้หรือเกิดความไม่พอใจกันขึ้นมาได้ก็มีอยู่ทั่วไปดันที่จริงก็พระเราก็มีสีน227ตามสีขาบ ท, ที่พระพุทธเจ้าสั่งทรงบัญญัติไว้เหมือนกันใครจะเคร่งหรือใครไม่เคร่งนั้นไม่ใช่อยู่ที่คณะหรือไม่ใช่อยู่ที่กลุ่มอะไรถ้าผู้ใดศึกษาเข้าใจปฏิบัติตามธรรมวินยัยอย่างถูกต้อง ทั้ง227สิษยาภิบาแล้วนั่นคือผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีศีลดีถ้าทุกรูปทุกนามหรือทุกองค์ได้ปฏิบัติตามเข้เาู่ในที่ทรงบัญญัติไว้อย่างไรเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสามัญญาตาแต่ถ้าหากว่าก็กล่าวโจทย์หากันว่ากลุ่มนั้นหรือบุคคลนั้นอย่างนั้นกลุ่มบคนนุคคลนี้อย่างนี้แล้วก็ นั่นแหะจะเสียศินสามั ญ, ญาตาเป็นเหตุให้ฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาได้อาศัยช่องว่างอันเกิดขึ้นนี้แหละเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาของเราได้และยิ่ในปัจจุบันนี้ทุนนาาิยมทั้งหลายก็รู้ดีแล้วว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อพระพุทธศาสนาของเราพยายามที่จะใช้ สิ่งที่เราบุกคร้องนี้แหละเข้ามาทำลายเพราะว่าภิกษุบางรูปในศาสนาของเรานั้นก็มีการประพฤติย่อหย่อนแสวงหาราสั ก, การะไปในทางที่ไม่ดีเช่นมีการอบอกเลขบอกหวยมีการซืออ้อขายอะไรต่ออะไรมากมายนอกจากพระธรรมวินัยผิดวิสัยของภิกษุผิดวิสัยของสมณะในพระพุทธศาสนาเขาก็ เ, เห็นว่าอันนี้แหละเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เขาจะมาเข้ามาทำลายได้ก็เขาก็ทำลายได้ง่ายๆเหมือนกันนั้นเราก็จะต้องออช่วยกันหรือแก้ไขเพื่อให้เป็นไปในการที่จะให้เกิดสินสามัญตามีความประพฤติสม่าเส ม, มอกันดีงามเหมือนกันและก็ผลเสียอีกประการที่สองก็คือจะทำให้เสียสามัคคีความสามัคคีนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลย พระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติอุโบสถไว้ก็เพื่อให้สังฆะมณฑนคือสงฆ์เนี่ยเป็นไปให้เกิดความสามัคคีเกิดความพร้อมเพรียงกันในอันที่จะประกอบศาสนากิจหรือสังฆกิจต่างๆเนี่ยให้เป็นไปได้ดีนั้นถ้าสามัคคีแตกหรือเป็นสามัคคีเพศแล้วก็เป็นจุดเสียอันหนึ่งที่จะทําให้ผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาเข้ามาทําลายได้ง่ายๆ ในเรื่องการทําให้เสียสามัคคีนี้ก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็คือการแตกแยกกันตั้งแต่พิสุชาวเมืองโกสัมพีพระธรรมธรกับวิเนทนหได้แตกแยกการทะเลาะกันนั่นก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและก็มีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยสรัางพุทธกาลแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านดํารงพระชนอยู่ท่านก็สามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้นให้สงบระงับไปด้วยดีแต่ว่าใน ปัจจุบันนี้ซึ่งพระพุทธองค์ท่านก็ได้เสด็จดบขันธปรินิพานไปแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นเราก็ระ ง, งับกันยากหรือว่าแก้ไขกันลำบากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เป็นปุถุชนกันทั้งสิ้นก็ลำบากในการที่จะแก้ไขความแตกแยกความแตกสันคีจึงเป็นสิ่งไม่ดีที่ทำไม่ควรที่จะให้เกิดมีในสังฆมณฑลของพวกเรา พระพุทธองค์ท่านทรงตัดว่าสุขา ส, า, สามคติสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่นำมาซึ่งความสุขถ้าหมู่ใดมีความพร้อมเพรียงกันในหมู่นั้นก็จเจริญเพลิดเพลินผลให้เกิดสุขสมหมายคลายกังวลเพราะทุกคนสามัคคีดีต่อกันอย่างเนี้ฉะนั้นถ้าหากมีความสามคัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระสงฆ์มีความสามัคคีดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเกิดความสามคัคคีตามไปด้วย นี่้เกิดพระสงฆ์ในวัดทะเลาะกันไม่มีความสามัคคีการแบ่งพักแบ่งขวกแบ่งเป็นหมู่เป็นคณะกันขึ้นในในวัดในวาเละและญาติโยมซึ่งเป็นผู้ที่เราจะต้องอบรมสั่งสอนให้เขามีความสามัคคีเขาก็มองมาที่วัดมองมาที่วัดเห็นวัดไม่มีความสะพร้องเพลียงอะไรก็จะทําให้เขาก็สามัคคีกันยากเหมือนกันเพราะว่าพระสงฆ์ไม่มีความสมามัคคีญาติโยมซึ่งเป็นผู้ที่อ ไม่ได้ค่อยปฏิบัติธรรมแล้วจะมีสา ม, มัคคีได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมองมาฉะนั้นพระสงฆ์ถ้ามีความสา ม, มัคคีมีความพร้อมเพียงกันดีถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็าพูดจาปราศัยกันในทางที่ถูกที่ควรในทางที่จะเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นเหตุเป็นปจัจจัยให้การอบรมธรรมะสอนธรรมะแกบรรรร่บาสุกบาศรริกานัรร้นง่ายยิ่งขึ้นและความสา ม, มัคคีก็จะเกิดมีขึ้นในพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยการ ที่จะให้เกิดความสามัคคีนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีศีลสามัญตามีสธิสามัญตามีความเห็นเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดสามคัคคีมีความพร้อมเพียงซึ่งกันและกันนะและกะ็ความแตกสามัคคีเนี่ยอาจเป็นเหตุให้เกิดการแตกเป็นนานาสังวาเป็นนานานิกายได้เหมือนกัน ดังนั้นผู้เป็นประธานในสงฆ์นี่ยก็พึงขวนขวายรีบระงับเสียถ้าเกิดมีอนุวาถาที่ก่อนขึ้นอาจจะแต ก, กเป็นนานานิกายน า, นานาสังวาสเราก็มีมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนิกายก็เกิดไม่รู้กี่นิกายแล้ว เ, เกิดมีนิกายหลายๆนิกายแล้วก็ไม่ต้องพูดว่ามีนิกายอะไรแต่ก็นี่แหละก็พวกวทุทวัตรทิฏฐิไม่สามัญญาตาและก็ศีลไม่สามัญญาตามันก็เลยเกิดการแตกแยกขึ้นมาเป็นหลายๆนิกายขึ้นมา จากนั้นเมื่อเกิดนอนุวาตาธิกรเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะต้องรีบแก้ไขรีบจะวินิจฉัยเพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับพระพุทธศ า, าสนาของพวกเราตามสมควรนั่นแหะครับเราก็ได้ศึกษามาในการอันนี้คือการได้ว่าด้วยวิธีนะครับอนุวาัตาธาิกรก็พอสมควรเวลาของเราก็ ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนอาธามิทั้งหลายที่กําลังศึกษานักธรรมชั้นเอกอยูอ่ท่านมีความสนใจหรือมีความคิดในอันที่จะทําให้ตนได้เข้าใจในเรื่องของพระวิ น, นัยก็ขอให้เข้าใจและก็แจ่มแจ้งในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ ดำรงตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีแต่ความสุขความร่มเย็นตลอดไปทุกท่านเทิด